ได้ขาวว่าเมื่อคืนน้ำท่วมนะท่วมครัวท่วมศาลาน้ำด้วยก็ไม่ใช่ง่ายนะที่จะได้ไมาเห็นน้ำท่วมศาลาน้ำเนี่ยนะอยู่มายีนะ่สบกว่าปีก็เพิ่งมีสองครั้งนี่แนะครั้งสุดท้ายก็คือปี37เจนะ น้ำท่วมน้ำเอ่อขึ้นมาจนท่วมสาลาน้ำแต่ตอนนั้นมันเกิดเดือนพฤษภาแล้วก็ตอนนั้นก็เพอเอิญนะอยู่อยู่วัดพอดีก็สามารถจะขนของได้ทันแต่เชยวนี้ก็ขนไม่ทันแต่ก็ได้หลายท่านได้ช่วยดูแล หลังจากที่น้ำลดแล้วนะก็ต้องขอบคุณด้วยในะช่วงนี้ก็ฝนตกหนักมากนะระหว่างที่เดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยก็ก็เจอน้ำท่วมถนน ตามอำเภอต่างๆเรียกว่าตลอดทางฝ า, า, ากช่องสีคิ้วด่านคุณทศแล้วก็ตัวเมืองชัยภูมิก็ท่วมหนักแต่ว่าก็พอจะหลบหลีกเลี่ยงมาได้ที่อื่นก็หลายจังหวัดก็ตกหนักมากน้ำท่วม โดยเพาติโคราชนะีตัวจังหวัดก็ท่วมจริงๆวันนี้ก็จะต้องมีไปอบรมแถววังน้ําเขียวแต่ว่าเนื่องจากมันน้าท่วมโรงพยาบาลก็เดือดร้อนนะผู้จัดซึ่งเป็นหมอเป็นพยาบาลเขาก็เลยเลื่อนก็เลยกลับมาวันนี้แทนที่จะเป็นพรุ่งนี้ อันนี้เราก็ไม่รู้สาเหตุนะว่าน้ำท่วมนี่มันมันเกิดจากอะไรแต่ว่าบ่อยครั้งนะเวลาน้ำท่วมแบบนี้ก็แสดงว่าธรรมชาติมันแปรปรวนไปอย่างเมื่อปีสามเจ็ดตอนที่น้ำท่วมน้ำท่วมหนักจนกระทั่งขึ้นมาถึงสาราสาราน้ำเนี่ย มันก็ท่วมเดือนพฤษภานะไม่ใช่ช่วงหน้าฝนฝนตกมาโครมใหญ่มาหาใหญ่แต่ติดกันสักสองวันเท่านั้นแหละน้ำก็น้ำในสระก็ขึ้นสูงสเพราะว่าดินเนี่ยดินดินมันแข็งเวลาฝนตกมาแล้วเนี่ยมันไม่มันไม่ซับน้ำพอไม่ซับน้ำเนี่ยน้ำก็เลยเบ อ, อะ ล้นนะเข้ามาถ้าถามว่าทำไมถึดงดินมันแข็งนะก็เพราะว่าการปลูกพืชนะการทาเกษตรของชาวบ้านมันเป็นกเกษตรแบบพืชเชิงเดียวแล้วก็ความร่วนซุยของดินมันก็หมดไปเรื่อย ดินมันก็เลยแข็งก็เรียกว่าดินมันตายพอฝนตกลงมาถ้าตกมาหายใหญ่ๆสักวันสองวันนี่ดินมันไม่สามารถจะซับน้ําได้ถ้าเป็นป่าเนี่ยดินมันก็จะร่วนซุยมันก็จะมีรากเนี่ยคอยช่อนชัยพอรากที่ช่อนชัยไปตามใต้ดินเนี่ยมันก็ดินมันก็ร่วนมันก็สามารถจะซับน้ําได้ แล้วก็ตัวรากเองเนี่ยมันก็สามารถจะดูดซับน้ํานได้อีกส่วนหนึ่งก็เรียกว่าธรรมชาติที่ช่วยกันดูดช่วยกันซับนะทั้งดินก็ซับน้ําทั้งรากก็ดูดน้ําอันนี้ยังไม่นับถึงพวกใบใบนี่มันคอยคอยต้านทานเม็ดฝนไม่ให้ตกมาไม่ให้ตกกระหน่ามาที่ดินมันก็รับนะคอย ลดน้ำหนักลดจำนวนน้ำที่มาตกลงมาสู่ดินแต่พ อ, อะระบบนิเวศมันแปรปวนไปบางทีฝ น, นตกต้นฤดูฝนนี่ก็มันก็ท่วมได้นะนะปีนั้นก็ท่วมท่วมหน้าดูเหมือนกันเพราะว่าขนาดสาราน้ำนี่ไม่เคยไม่เคยมีท่วมเลยเนะี่ยมันก็ท่วมอันปีนั้น แล้วก็คิดว่าคงจะไม่มีการท่วมอีกเพราะว่าสาราน้ำตอนนี้ก็ยกขึ้นสูงสูงกว่าเดิมเมื่อปีสามเจ็ดมากแต่ก็ยังท่วมนะอันนี้ก็เป็นพ่อพายุฝนแล้วก็ก็ยังไม่ทราบสาเหตุเป็นพ่ออะไรแน่พายุฝนมันึกระหน่ำกันหนักนี้ ที่จริงที่นี่มันเคยมีท่วมใหญ่ปีสอหนะึ่งะหลวงพ่อบุญธรรมท่านเคยเล่าให้ฟังหลวงพ่อบุญธรรมเป็นผู้ที่มาสร้างวัดป่าสุกโตและผลงานสุดท้ายก็คือหอไตรเนี่ยหอไตรแต่ก่อนอยู่ข้างบนท่านก็สร้างปีสองสาก่อนที่ท่านจะย้ายไปหนองแกนะหอไตรก็เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของท่านท่านเล่ า, าปีสองหนึ่งเนี่ยฝนตกหนักมาก แล้วก็มันก็มีมันก็มีอ่างเก็บน้ําอยู่อ่างเก็บน้ําก็แตกนันถ้าเรามันเป็นทะเลเลยนะมันมันก็ทะเลคือเห็นแต่น้ํากับฟ้ามันสูงขนาดนั้นนะคือมันสูงจนกระทั่งไม่เห็นไม่เห็นพวกพืชไร่อะไรเลยเห็นน้ําผืนน้ํากับผืนฟ้าติด ก, กันเลย ปีนั้นก็ปีสองหนึ่งซึ่งก็คงมีส่วนกับการตัดไม้ด้วยเพราะปี14 1หนึ่งสี่หนึ่งห้านีก็มีการตัดไม้กันมากที่นี่ก็ไม่พ้นนะโดนตัดไปด้วยหลวงพ่อพบุญธรรมถึงย้ายไปผู้หลงอยู่ช่วงหนึ่งพราะผู้หลงนี้ไม่ไมไมไมถูกตัดท่านก็ย้ายไปผู้หลงช่วงเนี่ยปีหนึ่งสอันนั้นก็เป็นที่มาของผู้หลงนะผู้หลงเกิดขึ้นได้เพราะว่า หลวงพ่อท่านอยู่ที่นี่ไม่ได้เพราะที่นี่มันถูกบริษัททําไม้ตัดไม้จนกรทั่งเหลือแต่เรียกว่ามีมีมีซุงเนี่ยเต็มไปหมดเลยท่านอยู่ไม่ได้ท่านก็ย้ายไปภูหลงเพาะภูหลงนี่เป็นที่เดียวที่ไม่มีการตัดไม้แล้วพอปีสองหนึ่งพอฝนตกมาการ ป่าที่ยังไม่ฟื้นตัวนะซึ่งส่วนนึ่งก็เกิดจากการทําไร่ด้วยนะพอตัดพอตัดไม้มีการทําไม้แล้วก็มีชาวบ้านมาทําไร่มันไร้ข้าวโพดก็ป่าก็ถูกทำลายรอบหนึ่งก็เลยไม่มีไม้ใหญ่ธรรมชาติยังไม่ฟื้นตัวทีเดียวพอฝนตกมามันก็กลายเป็นทะเลเลยนะทนะ่านเล่าแม่เพียรจําได้ปอ ปีสองหนะึ่งนเ อ, อนอะมันก็เป็นทะเลเลยนะน้ำน้ำน้าขุน่นๆตัดกับท้องฟ้าสีขาวนะมันก็แปลกนะมันก็เว้นช่วงสิบหกปีพอดีสองหนึ่งแล้วก็มาสามเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดก็มาห้าสามนี่ก็สิบหกปีเว้นช่วงพอดีสิบหกปีทั้งสองครั้ง อันนี้ก็เป็นความบังเอิญนะไม่ต้องไปตีหวยนะก็ยังไม่รู้นะว่าจะฝนนี่ฝนฟ้านี่มันจะเป็นยังไงคืนนี้ก็ต้องระวังด้วยนะพยากรณ์เขาก็ยังบอกว่ามันยังไม่ยังอุตุนิยมเขายังบอกว่ามันก็ยังมีหังหางของของพายุอยู่ ก็เดือดร้อนกันไปเยอะนะมีมีรถมีมีรถคันหนึ่งเนี่ยเขาเขาเห็ น, นเขาก็ล่วงน้ำท่วมนะแต่เขาประมาทเขาคิดว่าน้ำนี่คงไม่แรงใครๆก็พูดเหมือนกันว่าไม่เคยเจอน้ำแรงขนาดนี้ในรอบสาสิปีหลายที่หลายจังหวัดไม่เคยเจอ ก็มีรถคันหนึ่งขับ t o y o ต a า o อ t u n e er เนอนะคงจะเห็นน้ำท่วมก็เลยรีบกลับบ้านอาจจะเตรียมไปขนของหรืออะไรสักอย่างอย่างชาวบ้านก็เตือนไว้ว่าอย่าไปอย่าไปเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาคิดว่าน้ำคงไม่แรงรถก็คงพอจะขับไปได้นะรถกระบะไม่ใช่รถเล็กไม่ใช่รถเล็กๆนะรถ มันก็คันใหญ่ฟาจูเนอรนี่เพราะว่าน้ามันแรงมากมันซัดเหมือนกับรถนี่เป็นของเล่นไปเลยนะก็เดินออกไปเป็นร้อยร้อยเมตรเลยนะน้ำซัดจมหายเข้าไปในลำห้วยอยูข่ข้างทางเพราะว่าคนขับก็ตายหมาในในรถก็ตายจมน้ำตาย คงจะออกไม่ได้นะนะปกติคนเราเวลาขับรถแล้วจมน้ำหรือว่าจะตกอยู่ริมคูเนี่ยถ้าไม่มีสตินะก็ก็ไม่ไม่ค่อยลอดนะนะไม่ต้องน้ำท่วมนะแค่พลัดตกลงไปในคูน้ำเนี่ยคูน้ำข้างทาง ในกรุงก็ได้ในกรุงเทพก็ได้แถวบางนานมันจะมีคูน้ําอยู่บางทีรถตกไปไม่มิดนะนะไม่ไม่ถึงกับท่วมหลังคาแต่ว่าคนขับก็ตายตายเพราะว่าจมน้ําเพราะว่าเวลาอยู่ในน้ําเนี่ยมันเปิดประตูไม่ได้แรงดันน้ํามันสูงมากจะเปิดประตูก็เปิดไม่ได้มันก็มีทางเดียวคือเปิดหน้าต่าง แต่เดี๋ยวนี้น้ำต่างนี้หน้าต่างมันใช้ระบบเซนเตอร์ล็อกใช้ไฟฟ้าพอจมน้ำเข้าไปไฟฟ้าก็ไม่ทำงานกดเท่าไหร่หน้าต่างมันก็ไม่ลงนะแล้วคนตกใจนี่ม่รู้ทำยังไงก็จะพยายามดึงพยายามดันประตูก็ไม่มีทางดันประตูไดนะ้ความดันน้ำมันแรงมาก ยิงถล่พลิกความ้วยนี่เสร็จเลยนะแล้วแถมยังมีเซฟตี้เบลผูกไว้ด้วยมันก็กลายเป็นเครื่องรัดลรือไม่ให้ไม่ให้รอดได้แลวพวกเรานี่เวลาเวลาเดินทางหรือเวลาอยู่ในที่ชุมชนอะไรก็ตามนี่ก็ต้องเผื่อใจไว้บ้างนะ เวลาขับรถนี่นั่งรถก็ต้องลองเผื่อใจว่าเออเกิดมันรถมันมันแหกสะพานลงน้ำลงคูนี่จะทำยังไงเวลาอยู่ในที่เวลาอยู่ในห้องประชุมหรือในตึกหรือในอาคารแล้วก็มีไฟไหม้นี่จะทำยังไงสติสำคัญมากนะอย่างที่เคยเล่าเนี่ยคนที่เขา คนที่เวลาเวลาเกิดไฟไหม้อย่างเช่นในอาคารในห้องประชุมอย่างที่สันติกาพักเนี่ยที่ตายก็นี่ไม่ใช่ตายเพราะว่าโดนไฟไหมนะ้แต่ตายจำนวนมากเพราะว่าเหยียบกันตายาที่สําลักควันก็มีแต่จำนวนไม่น้อยเนี่ยตายเพราะาถูกเหยียบนะเพราะว่าคนตื่นตกใจ ลกลูกันออกไปในออกไปที่ประตูหรือบางทีก็ไม่เห็นประตูนะไม่เห็นทางออกก็กลูกันไปคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเห็นใครวิ่งก็วิ่งตามกันไปนะคนที่เขาผู้รู้เขาก็เตือนว่าอย่าไปวิ่งตามคนอย่าวิ่งตามฝูงชนนะ ให้เขาวิ่งไปเราไม่ต้องเดี๋ยวเพิ่งตื่นตกใจให้เขาวิ่งไปถ้าเกิดว่าเขาวิ่งไปแล้วหายไปเลยไม่กลับมาก็แสดงว่าเขาเจอทางออกแล้วและส่วนใหญ่พอวิ่งตามกันไปแล้วเนี่ยก็หกล้มแล้วก็โดนโดนเหยียบตายไปก็มีแล้วเขาบอกว่าเนี่ยรอให้คนวิ่งไปก่อนแล้วก็ ระหว่างที่เราร้อนี่อย่าไปยืนอยู่ตรงตรงทางเดินให้เดินให้ให้หลบๆบมาอยู่ตรงผนังเพราะว่าฝูงชนที่วิ่งไปหาทางออกนี่พอเขาหาทางออกไม่เจอเขาก็จะวิ่งกลับมาคนที่อยู่ข้างคนที่อยู่ข้างท้ายตรงนี้แหละที่จะถูกเหยียบ พอพวกที่อยู่วิ่งผู้ที่วิ่งไปก่อนเนี่ยเขาออกไม่ได้เขาก็จะหันกลับมาแล้วก็วิ่งต่อไปอีกทางหนึ่งคนที่อยู่ตรงกลางคนที่อยู่ตรงท้ายๆก็จะโดนเหยียบแต่ถ้าเกิดว่าเรารอเขาเห็นเขาวิ่งกลับมาก็ถ้าเราหลบอยู่ข้างทางเราก็จะไม่โดนถูกเหยียบด้วย การวิ่งตามฝูงชนนี่มันอันตรายนะอย่าไปคิดว่าตามคนหมูมากดีดีเหมือนกับรุ่นเล่นหุ้นเล่นหุ้นน่ยที่เขาว่าแมงเมาส์เนี่ยแมงเมาตายเนี่ยเพราะว่าตามกันไปเห็นใครซื้อหุ้นตัวนี้ดีก็ซื้อตามกันไปแล้พวกแมงเมาส์เนี่ยชอบตื่นเลียงก็ตายตื่นตูมเขาซื้อก็ซื้อบ้าง เวลาเขาขายก็ขายบ้างพวกนี้เนี่ยก็จะก็จะเจ็บตัวนะเจ็บตัวได้ง่ายาการที่คนวิ่งตามหรือทำตามตามกันไปเนี่ยถ้าเจ็บตัวมามากแล้วเช่นพวกแชรลูกโซ่แชรลูกโซ่ก็เห็นว่าเออเขาเล่นแชร์กันก็เล่นบ้างกำไรดีทำตามกันไปก็สุดท้ายก็เจ็บตัว อันนี้เพราะความโลภนะความโลภมันทําให้เราอตื่นความโลภมันทําให้เราไม่มีสติปัญญาก็ไม่เกิดบางทีก็โดนหล อ, อกง่ายๆนะพวกที่เขาหลกอกสิบแปดมงกุลเนี่ยจริงๆเขาหลอกไม่ได้นะถ้าว่าถ้าเรามีสติแต่ส่วนใหญ่เขาจะมาล่อให้เราเกิดความโลภ ก, ก่อน พอเราเกิดความโลภแล้วเราก็ไม่ทันได้คิดแล้วความอยากรวยนะก็ทำให้ไม่มีสติบางทีเห็นนะเดียวนี้มันมีการอ่อยเหยื่อะนะไปพวกที่ไปไปไปเบิกเงินตู้ ATM เนี่ย บางคนเนี่ยจะไปเบิก น, นะก็เห็นบัตรเอทมตกอยู่ของใครไม่รู้เวลาเราเห็นบัตร A อเมของใครไม่รู้ตกอยู่นี่เราทำยังไงในบัตรนั้นเนี่ยมันมันติดเบอร์ไปด้วยว่าจะกดรหัสยังไงคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเจอแบบนี้เข้าก็จะเกิดความโลภขึ้นมาเลยเหมือนกับเจอกระเป๋เาเงินตกเนี่ยเจอกระเป๋าเงินของใครตกเนี่ย คนจำนวนไม่น้อยนี่ก็จะเก็บเอาไว้เป็นของตัวเองถือว่าราบรอยในทํานองเดียวกันเวลาเจอบัตร ATM เนี่ยของใครไม่รู้แล้วก็มีรหัสติดเอาไว้ด้วยนะนะก็จะรีบไปกดเลยนะพอไปกดเข้านะเดี๋ยวเกิดเรื่องเลยเพราะว่าสักสักพักเดียว น, นั่นแหละตำรวจก็จะมา แล้ตำรวจก็จะหาว่าเราเนี่ยนะไปขโมยบัตรเ t m ีใครมาก็ไม่รู้แล้วพวนดีเขาก็เตรียมกันเจ้าของบัตรเ t m ีเอ็มนี่เขาก็เตรียมกับตำรวจไว้แล้วว่าถ้ามันมีใครโง่เนี่ยหลงเอาบัตรเอทเอ็มไปกดนะเขาก็จะแจ้งข้อหาว่าขโมยขโมยบัตรเอทีเคราวนี้แหละลเกิดเรื่องแล้ว คนธรรมดาก็ไม่อยากเกิดเรื่องก็ต้องยอมจ่ายเงินยอมยัดเงินให้ตำรวจยอมยัดเงินให้ตำรวจหลักฐาน ม, มัมนะีเนี่ยเพราะว่ากล้องกล้องวงจรปิดมันก็มีนะว่าเราเนี่ยเอาบัตร ATM ของใครไม่รู้ไปกดอันะนี้ลําบากเลยโดนตำรวจนะกับเจ้าของบัตร ATM เนี่ยเขาก็ร่วมมือกันถ้ามีคนนึงก็เจอแบบนี้นะเจอเห็นบัตร ATM ของ ใครไม่รู้ตกอยู่ใกล้ๆใกล้ๆ ก, กับตู้ ATM แต่เข้าเฉลียวใจที่จริงเขาไม่ชงเฉลียวใจเพียงแต่ว่าเขาสิดว่าเอ้ยมันจะเอาบัตรของใครไปกดเล่นเอาเงินเข้าไม่ดีนะเขามีศีล น, นะเขาก็เลยเก็บแต่แทนที่จะไปกดเอาเงินนะเขาก็ไปมอบให้ตํารวจ ก็เลยลอดตัวไปนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> พูมิชาชีพเนี่ย <c oughs> มันจะได้เงินมาด้วยวิธีนี้แหละ <c oughs> คือหลอกคนนะ <c oughs> อาศัยความโลภจริงๆถ้าไม่มีความโลภนะ <c oughs> ก็จะมี <c oughs> สติยังคิดว่าไอ้ <c oughs> ใครจะมาทิ้งบัตรเอทีเอมาไว้แถมติดรหัสไว้เสร็จเลยนะ คนที่มีสติเขารู้ว่านี่มันมันไม่มันมีพิรุษมันไม่ชอบมาพากกลแล้วเขาก็จะไม่ทำแต่เพราะความโลภนะหน้าที่คนที่เก็บบตัตรเอทีเมเนี่ยก็อาจจะเป็นคนธรรมดาไม่ได้มีนิสัยชั่วร้ายอะไรแต่พอเห็นมันก็เกิดความโลภขึ้นมานะแล้วก็ตกเป็นเหยื่อของผู้มิจฉาชีพ วิธีการอะไรที่รวยเร็วๆนี่อย่าไปเชื่อนะบางทีพระเราก็โดนหลอกนะมีบางรูปนี้ท่านก็เป็นพระดีด้วยแต่ก่อนก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อคำเขียนท่านก็อยากอยากจะสร้างโบสถ์ก็มีคนอ้างตัวเป็นเจ้าที่กรมศาสนาบอกว่าจะหาเงินจากกรมศาสนาเนี่ยมาให้มาลงที่วัดนี้เป็นล้านเลย นะแต่ว่ามันต้องมีค่าวิ่งเต้นค่าวิ่งเต้นนี่เป็นแสนนะหลวงพ่อท่านก็ไม่มีเงินสดนะท่านก็บอกว่ามีเงินอยู่ในธนาคารอยู่ประมาณแสนเศษคนนออกกั่นแกก็เคาะก็นะก็ไปหลอกให้หลวงพ่อไปเบิกเงินมา หลวงพ่าก็ไปเบิกอเงเป็นแสแล้วก็ให้เขาไปด้วยความหวังว่าคนนี้เขาจะไปวิ่งเต้นเพื่อที่จะเอางบประมาณมาให้ทางวัดนะเป็นล้านสุดท้ายก็สูญเงินไปแล้วก็ไปเช็คไปเช็คมาก็ไอคนนี้ก็ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ครมศาสนาซะด้วย อันนี้ก็โดนหลอกด้วยวิธีง่ายๆนะไม่ต้องใช้ลูกไม้อะไรมากแต่เป็นเพราะว่าหลวงพ่อท่านนอกจากจะเชื่อใจคนๆ น, นี้แล้วก็ยั ง, ย, งยังอยากจะได้เงินล้านนะด้วยวิธีทางรัดนะก็เลยโดนเขาหลอกแล้วก็เสียเงินไปนะตอนนี้ท่านก็มารณบภาพไปแล้วนะ อันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อันนี้เมื่อกี้ก็พูดถึงเรื่องความโลภนะแต่ว่าความกลัวก็ทำให้เราขาดสติแล้วก็ขาดปัญญาเหมือนกันเวลาเจอเจอเหตุเจอเหตุร้ายนะตั้งสติให้ดีบางทีการตั้งสตินี่มันกลับช่วยได้ แม้ว่าจะหนีเหตุร้ายไม่พ้นแต่ว่ามันช่วยทำให้ร อ, อดพ้นอันตรายได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาขับรถบนทางด่วนเร็วมากเลยทางด่วนมันก็เร็วอยู่แล้วนะ80กิโลขึ้นไปพอไปถึงพอไปถึงโค้งนี้ก็เห็นรถติดเป็นแพรเลย แกก็ชะลอรถแต่พอมองไปที่กระจกหลังเนี่ยเห็นรถอีกคันหนึ่งแล่นเข้ามาไม่มีทีท่าว่าจะเบรกหรือชะลอเลยแล้วเธอก็รู้โดยสัญชาติยานว่ากำลังจะถูกอัดก๊อปีแล้วรถยังไม่รถข้างหน้าเนี่ยข้างหน้านี่รถก็ก็มีรถจอดอยู่ข้างหลังก็มีรถพุ่งเข้ามา รถที่เธอกำลังชะลอรถของตัวเองก็กาลังชะลอแต่มันก็ยังมีความเร็วอยู่ก็รู้ว่าอีกสักพักเนี่ยไม่ถึงสักสอ ง, ส, องสามวินาทีเท่านั้นแหละก็จะโดนรถอาจก๊อปปี้ตอนนั้นรู้เลยว่าสงสัยจะตายแน่แล้วคนธรรมดาพอนึกว่าจะตายเนี่ยมันก็จะเกรงเลยนะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้แกก็ พอรู้ว่าจะตายเนี่ยแกก็มีสตินะแกก็หันมาดูมือที่จับพวงมาลัยก็เห็นมือที่เกรงอยู่ก็นึกในใจว่านี่ฉันก็เกรงฉันก็เครียดมาตลอดชีวิตแล้วไหนไหนจะตายทั้งทีนะฉันฉันขอตายแบบสบายๆหนะ่อยแกก็เลยปล่อยมือหลับตาแล้วก็ตามลมหายใจตัวนี้ไม่เกรงเลยคือพร้อมแล้วพร้อมที่จะตาย แล้วสักพักรถมันก็รถข้างหลังก็เข้ามาอัดนะเสียงดังสนั่นเลยเธอก็หมดสติมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่ตำรวจนี่พยายามแงะดึงตัวเธอออกมาจากรถดูสภาพรถแล้วไม่น่ารอดนะเพราะว่าโดนอัดก๊อปปี้ทั้งทั้งหน้าทั้งหลังตำรวจก็แปลกใจรอดมาได้ยังไง เธอก็เล่ให้ตำรวจฟังว่าทำอะไรไปบ้างตำรวจก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากว่าเธอเกรงเกร ง, เกรงมือนะเกรงตัวเนี่ย <Yeah. S 2> ก็คงจะคอหักไปแล้วแต่นี่เธอเรียกว่าผ่อนคลายมันก็เลยร่างกายก็เลยไม่รับไม่ไม่ถึงกับรับน้ำหนักรับแรงกระแทกมากทำไมถึงผ่อนคลายก็เพราะเธอพร้อมจะตายแล้ว จะตายแบบสบายสบายแต่คนส่วนใหญ่เวลาอยู่ในสถานะเช่นนี้เนี่ยก็มักจะไม่รอดเพราะเกรงทำไมถึงเกรงก็เพราะกลัวใจมันไม่ยอมรับความตายมันก็ฝืนสู้ตัวก็เกรงมือก็เกรงก็รับแรงอัดเข้าไปเต็มที่นะตายได้นั่นนี่ก็เป็นเรื่องของสตินะที่ว่าถ้าเรามีสติ มันก็สามารถจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้นี่เราก็เวลาเราฟังอ่านข่าวเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยลองลองนึกเอาไว้เล่นๆก็ได้นะว่าเออถ้าเกิดเราอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นนี่เราจะทำยังไง เราจะทำใจยังไงเราจะเตรียมตัวอย่างไรนะจะเอาตัวรอดมาด้วยวิธีใดนะแล้วก็ทำใจยังไงด้วยไอ้ข้อพวกนี้มันก็ไม่แน่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่เกิดขึ้นได้ร0อยแปด้ถ้าเราเตรียมตัวไว้หรือคิดเผื่ อ, อไว้บ้างนะเวลาเกิดเหตุล้ายก็จะได้ อย่างน้อยก็มีสติขึ้นมาพอมีสติขึ้นมาก็จะนึกได้ว่าจะทำอะไรบ้างนะไฟไหม้จะทำยังไงลิฟนตะ์ค้างจะทำยังไงรถนะจมอยู่ในครูจะทำยังไงนึกแบบนั้นก็เป็นมรณะสติไปด้วยนะเป็นมรณะสติเพราะบางครั้งเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากทำใจ แว่าการทำใจนี่มันก็ช่วยได้เหมือนกันนะมีเพื่อนคนหนึ่งเขาไล่ฟังจะลงไปเขาอยู่เชียงใหม่มเขาจะลงไปกรุงเทพก็มีเพื่อนชวนว่าไม่ต้องนั่งรถไฟนะนั่งเครื่องบินกลับกับผมก็ได้ผมมีเครื่องบินส่วนตัวเ็านะมีเครื่องบินส่วนตัวก็เลยชวนกันนั่ง เครื่องบินส่วนตัวช่วงนั้นมันก่อนก่อนที่จบินก็มีฝนตกนะพอฟ้าเปิดเขาก็บินบินไปได้สนาทีเครื่องดับเครื่องดับก็พยายามสตาร์ทเครื่องแต่สตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดตอนนั้นรู้เลยว่าเครื่องบินก็จะต้องตกแล้วตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะไม่ตายนะแต่คิดว่าทำยังไง ถึงจะล่อนเครื่องบินให้มันห่างไกลหมู่บ้านหน่อยก็พยายามล่อนเครื่องบินให้มันห่างไกลหมู่บ้านเพื่อจะได้ไม่ไปตกแล้วก็สร้างความดื่วร้อนให้กับชาวบ้านก็เลยบังคับเครื่องบินให้มันล่อนไปในทางที่เป็นภูเขาระหว่างแล้วก็พยายามสตาร์ทแต่สตาร์ทเท่าไหร่ก็ไม่ติดจงกระทังหมดหวังแล้วเพื่อนที่เขาโดยสารไปด้วยนี่เขา เขาบว่าช่วงนั้นเนี่ยเขาเขาสงบมากเลยตอนนั้นไม่ได้คิดถึงลูกไม่ได้คิดถึงอะไรทั้งสิ้นไม่ได้นึกถึงความตายแต่พร้อมแล้วแต่ก็พราะว่าช่วงนั้นเนี่ยไม่มีความตื่นประหลงเลยมีแต่ความสงบเพราะว่าข้างบนเนี่ยบนฟ้านี่มันเงียบสงบเห็นเมฆเห็นฟ้าข้างล่างก็เป็นภูเขา ความรู้สึกตอนนั้นนี่มันสงบมากเสียงเครื่องก็ดับใจเขาไม่ได้อยู่นึกถึงอะไรเลยใจเขาอยู่กับปัจจุบันรับรู้ฟ้ารับรู้เมฆก็ว่าไม่เคยพบกับความสงบอย่างนี้มาก่อนเลยทน้า ท, ที่กําลังจะตายนะแต่เพราะว่าเขาไม่ได้นึกถึงความตายเพราะาเขายอมรับแล้วจะตายก็ตาย ใจก็อยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวไม่ไป น, นึกถึงว่าโออถ้าตายนี่มันจะรู้สึกยังไงนั่นมันอนาคตนะ่ก็อยู่ในสภาพที่สงบมากจงกระทั่งสักพักนี่ปรากฏว่าเครื่องบินก็สตาร์ทได้สตาร์ทติดจนได้นะถ้าตกลงว่าจะบินต่อหรือจะกลับตกลงก็ว่ากลับดีกว่านะเพราะว่าเครื่องไม่ร่วมมันจะพยศอีกหรือเปล่าก็เลย หันาาพาเครื่องบินกลับไปสนามบินเชียงใหม่ปรากฏว่าทางโ น, น้นเตรียมเตรียมต้อนรับเต็มที่เลยนะเพราะว่าแจ้งไปว่านี่ต้องล่อนฉุกเฉินเครื่องไม่ไม่ปกติเตรียมมีรถตัเพลิงมีรถอะไรคอยต้อนรับนะคอยรับมือก็สามารถล่อนกลับไปได้ ถึงเชียงใหม่ไปเช็คเครื่องปรากว่ า, วาอ๋อน้ำมันเข้าเครื่องนะก็แก้อยู่พักหนึ่งนะเป็นชั่วโมงนะซ่อมจนกระทั่งเรียบร้อยก็ถามว่าจะบินต่อกลับไปกรุงเทพม ก, ก็เอาเลยไม่กลัวเลยเพราะได้ประสบการณ์ที่ดีนะบาคนเราเวลาใกล้าตายบางทีมันไม่ใช่เป็นช่วงเวลาที่ตื่นตระหนกนะ อาจจะเป็นช่วงเวลาที่สงบก็ได้อย่างเพื่อนที่คนที่เขาเล่านี่เขาบอกสงบมากเขาก็ไม่ได้ทำสมาธิอะไรแต่เพียงแต่ใจเขาอยู่กับปัจจุบันไม่ได้นึกถึงความตายไม่ได้นึกถึงลูกไม่ได้นึกถึงเมียไม่ได้นึกถึงแรงสิ้นนั่นมันอนาคตพอใจยอยู่กับปัจจุบันนี่มันก็เป็นความสงบบรรยากาศก็ชวนให้ น, ะน้อมจิต เป็นสมาธิได้มากแล้วก็เผื่อไปบ้างนะโดยเพราะเวลาพวกเราบางทีอาจจะเดินทางเครื่องบินถึงแม้ไม่ใช่คือบินส่วนตัวเป็นเครื่องบินโดยสารนี่มาจะไปเกิดเหตุลองเผื่อใจไว้บ้างว่าเกิดเครื่องบินมันเกิดมีกานเป็นไปขึ้นมาจะมองพื้นนี่ทำยังไงจะตื่นตห น, นกร้องห่มร้องไห้หรือว่า จะรับมือหรือว่าจะน้อมใจมอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอันนี้ก็ก็ให้เราฝึกเอาไว้เตรียมใจเอาไว้เอาแล้วก็พูดกันเท่านี้นะครับรับ